วันนี้เป็นวันที่21สิงหาห้สองและก็วันที่6เป็นวันคัดเลือกเขาเพราะนั้นใครๆก็อยากจะเป็นหัวหน้าอยากจะเป็นนายกอบตอก็เลยหาเสียงสนันวันไว้แต่พวกเราชาวบ้านก็ไม่รู้จะเลือกอยังไงใครจะไปติดตามพฤติกรรมของเขา ทุกวีทุกวันก็ไม่ได้หาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกต่างหากถ้าไปรับรู้รับทราบมากจนเกินไป เ, เพราะนั้นกันรู้พอผพีวเผินพูดต่อต่อกันดีอย่างนั้นนะดีอย่างนี้นะพอเลือกเข้าไปแล้วก็อย่างว่าอีกไม่ทำการทำงานแล้วยังกินบ้านกินเมืองอีกต่างหากนอนเฉยอีกต่างหาก ดูถูกผู้คัดเลือกอีกต่างหากนี่แหละเวลาอยากจะได้ก็โฆษณาหาเสียงอย่างที่พวกเราเห็นนี่แนะแต่พวกเราถ้าจะว่าไปแล้วก็ให้ใช้สติใช้ปัญญาสักหน่อยก็ดีการจะเลือกใครให้เป็นผู้ใหญ่ให้เป็นเจ้านายของตนเองต้องเลือกต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดไม่ใช่ว่าเขาว่ายังไงเขาว่าตาม ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าโสวจัตชะตาโสวจัตชะตาแปลว่าผู้ว่าง่ายสอนง่ายคำว่าว่าง่ายสอนง่ายคํานี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแนะนํำยังไงก็เอาตามเขาพระพุทธเจ้าท่านว่านะต้องมีเหตุผลไม่ใช่ว่าเขาบอกยังไงก็เอาตามเขาเป็นผู้หัวอ่อน เป็นผู้ไร้ความคิดเป็นผู้ไร้ปัญญาเป็นคนที่เขาชักนำไปยังไงก็ไปตามเขาไม่ใช่อย่างนั้นพระในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเห็นแก่ลาบเห็นแก่ยศเห็นแก่ลาบก็คือว่าเอา้าพระคุณท่านผมจะให้เท่านั้นเท่านี้นะให้ต้องท่านต้องเชื่อหรือตามพูดตามที่ผมพูดก็พระองค์นั้นก็ ทำตามเพราะอยากจะได้ลาบเออแล้วครูบาอาจารย์เออผมจะให้ท่านนั้นท่านนี้นะเออไปกับเรานะก็ไปตามทั้งที่สิ่งนั้นไปที่มันก็ไม่ถูกต้องก็ไปตามเพราะอยากจะได้ลาบเนี่ยเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายบอกอะไรพูดอะไรทำมดเออเพราะอยากจะได้ เ, ออเงินคำทรัพสมบัติอยากจะได้สิ่งตอบแทนยอมรับ อันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ใช่ทำคำสอนของเราที่ว่าง่ายสอนง่ายผู้ว่าง่ายสอนง่ายในศาสนาของเราเนี่ยต้องเป็นผู้มีเหตุผลเมื่อเราบอกสอนไปแล้วบอกไปแล้วต้องไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็ปฏิบัติตาม อ, อ, อย่าดื้อดึงเมื่อเหตุผลลงจุดนั้นแล้วเมื่อเหตุผลถูกต้องแล้วอย่าดื้อดึง ต้องยอมรับอันนี้แปลว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแต่บางคนถึงเหตุผลจะลงอย่างนั้นแต่ก็ไม่ยอมรับดื้อดึงอันนี้แปลว่าเป็นผู้ว่า ย, ยากสอนยากในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติพระวินัยก็ดีศีลก็ดีอย่าทำนะแปลว่าพพุทธเจ้ารู้แล้วบอกแล้ว อย่าทำนะแต่เราจึงฝืนดื้อดึงไปทําอันนั้นเป็นเาผู้ว่ายากสอนยากแต่ว่าพระพุทธองค์บอกว่าอย่าทํานะเราพิจารณาด้วยเหตุผลนะอื่นใช่พระพุทธเจ้ามีเหตุผลอย่างนี้ท่านจึงบัญญัติอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆก็อย่างที่ว่ากฎหมายบ้านเมืองก็บอกว่าอย่าขายยาบ้ายาม้านะถ้าว่าขายใครขายก็ตามขายยาบ้ายาม้าเนี่ยหมื่นเม็ดขึ้นไปโทษประหารนะ แต่เราก็ดื้อดึงไปขายอันนั้นแปลว่าเป็นผู้ดื้อดึงเป็นผู้ว่ายากสอนอยากแต่ถ้าว่าเราเขาทำไมเขาไม่ให้ขายยาบ้าเพราะว่าขายไปแล้วมันเป็นทำลายคนอื่นเขาพ่อแม่ปู่ยา่าตา ย, ยายลูกหลานของเขาลูกเล็กเด็กแดงของเขาถ้ากินยาบ้ายามาแล้วเสียอนาคตหมดเลยการ เ, าเรียนศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเสียหายเพราะ กินยาบ้ายาม้าของเราที่ขายให้เขาอย่างนี้นถ้าเราเห็นเหตุผลเออใช่ถ้ามาถูกเราเราก็คงไม่สบายใจเราก็คงจะเป็นทุกข์ใจเมื่อลูกหลานเราติดยาบ้ายาม้าอย่างที่เราเห็นเห็นอยูเออ่เราจะไม่ทําอันนี้แปลว่าเราพิจรารณานพิจรารณานด้วยเหตุด้วยผลแล้วเออ แล้วเหตุผลลงอย่างนั้นแล้วถึงเราอยาอยากจะทำว่าเป็นของร่ำรวยเราก็ไม่ทำเพราะเหตุไรเพราะว่ า, เ, าเหตุผลลงจุดนั้น น, นี่แหละหลักของพุทธศาสนาเลยว่าโงวจัตสตาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย้คล้ายว่ายอมรับหลักเหตุผลไม่ใช่ว่าดื้อดึงแต่บางคนถ้าว่าเขาจ้างไปอะไรเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำมดัดเพราะเขาให้ม า, อ, าอันนี้แปลว่า ถ้ายุคนี้สมัยนี้เขาเรียกว่าเสนามักขี่กาเหมือนนั้นเสนามักขี่กาถ้าว่าสู้ถ้าข้าบอกว่าอย่างไงสู้เจ้าต้องว่าอย่างกันนะถ้าว่าสู้เจ้าไม่ทําตามที่ข้าบอกข้ากล่าวข้าสอนข้าแนะนำข้าไม่ให้ยศสู้เจ้านะไม่ให้ตาแหน่งสู้เจ้านะไม่ให้รางวัลไม่ให้เงินสู้เจ้านะสู้เจ้าต้องว่าตามที่เราบอก เราบอกจังไงสูญเจ้าต้องทำอย่างนั้นไปตามอย่างนั้นที่เราบอกนั้นเข้าใจไหมครับพอไปเห็นบอรเพชรขึ้นมากะว่าเอ้ยข่าว่าในบอระเพชรมันหวานนะใครว่ามันขมใช่ไหมสูญเจ้าว่าจังไงบอระเพชดเนี่ยมัน เ, เครือมากอฮอนเครือกอฮอนบอระเพ็ดนี่มันหวานนะใช่ไหม พวกนี้ก็กลัวเขาไม่กลัวจะไม่ได้ยศตำแหน่งกลัวเขาจะไม่ให้เงินไม่ให้รางวัลแค่ตัวเองเพราะหัวหน้าบอกว่าหวานเท่านั้นเนีลูกน้องก็ต้องรอหวานตามอามตามเหมือนกันเลทั้งที่มันขมยิ่งกว่าอะไรเอกันพราะหัวหน้าบอกเยถ้าไม่ว่าตามก็กลัวเขาไม่ให้ไม่ให้รางวัลเนี่ยอ้อยเนี่ยมันขมนะใครว่ามันหวานเนี่อสูเจ้า ว, ว่ายังไง อ้อยมันขมนะใช่ไหมถ้าว่าถ้าจะว่าหวานก็ไม่ได้กลัวเขาจะไม่ให้รางวัลอีกเหมือนกันก็ต้องว่าขมตามหัวหน้าว่างั้นเถอะอันนี้แหะคนโบราณเขาบอกว่าพวกนี้พวกเสนามักขี้กาวก่างั้นเถอะอันนี้เหมือนกันเนะ่ยพวกเราท่านทั้งหลายต้องมีจุดยืนต้องมีหลักเหตุผลในการเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าเขาชักนําอะไรเราก็ว่านตามนี่ที่หลักของพุทธศาสนาที่ว่า โศวัจจสตาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายพราะพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าใครใครเขาตามแต่สีแตาา่สารแล้วก็บอกให้ทาก็ทาตามไม่ใช่นะหลักของพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาเหตุผลทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนบอกกล่าวที่หลวงพ่อเคยยกขึ้นมาในพระไตรปิฎกสาริบุตรที่เราตถาคตพูดไปทั้งหมดนี่ ท่านเห็นด้วยไหมท่านเชื่อไหมที่เราพูดไปเนี่ยภาษาเลบุตรว่าย่างก่อนพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังยังรับไว้ก่อนอยังเชื่อหรือไม่เชื่อข้าพระองค์รับไว้ก่อนจนกว่าข้าพระองค์จะนําไปประพฤติปฏิบัติได้ผลอย่างไรข้าพระองค์จะกราบทูลต่อภายหลังพระเจ้าค่ะให้ข้าวันเมื่อนําไปปฏิบัติไปแล้วไปเห็นผลแล้วเออเป็นผลผลดีหรือผลเลว แต่พระพุทธเจ้าอ่ะอันนี้เป็นทางเลวนะนี่ก็นาไปปฏิบัติโอ้ใจเลวจริงๆอันนี้ปฏิบัติดีนะปฏิบัติไปแล้วจัไปทางดีนะก็ปฏิบัติไปก็ดีจริงๆแล้วก็มากราบฝูงพระพุทธเจ้าอืที่พระพุทธองค์บอกกล่าวไปนั้นข้าพระองค์ได้นําไปปฏิบัติไขควรทบทวนแล้วก็นําไปปฏิบัติดูแล้วเห็นผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวข้าพระองค์ยอมรับเชื่อนะีย นี่แหละพระพุทธองค์ทั้งที่ภาษาริบุตรเป็นผู้มีปัญญาแต่ท่านตอบอย่างนั้นเพื่ออะไรตอบให้เพื่อให้ชาวโลกทั้งหลายผู้โง่เง่าเต่าตุ๋นก็มีผู้ฉลาดก็มีแต่พระพุทธแต่ภาษาริบุตรเองนั่นท่านรู้แก่ใจแล้วพระพุทธองค์ตอบอย่างไรพูดอย่างไงออกมาเนี่ยภาษาลิบุตรรู้แก่ใจแล้วผิดหรือถูกท่านทะลุปูโป่งไปหมดแล้วแต่พระภาษาริบุตรตอบอย่างนั้นตอบเพื่อชาวโลกทั้งหลายเกิดมาทีหลัง อย่าเชื่อง่ายจนเกินไปอย่าเป็นเสนามักขีกาเมื่อกี้ตัต้องฟังเหตุต้องฟังผลต้องฟังสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีให้ไข้ควรทบทวนให้ถูกต้องนี่ยแะเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธพุทธมาม ก, กะอุบาสกอุบาสิกาควรจะคิดควรจะพิจรารณา ทบทวนให้ดีฮะอย่างที่หลวงพ่อได้อ่านมีคนรุ่นเก่าที่ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านในบ้านเมืองสมัยเก่าท่านก็เขียนในความคิดในหนังสือของท่านหลวงพ่อนำมาพิจารณาอเออความคิดนี้ถึงจะเข้าหลักของพุทธศาสนาแต่เป็นความคิดที่ กับชุมชนยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเข้ากันได้ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์เป็นเบื้องหน้าถ้าว่าคนเราไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อตรงมีนอกมีใน เ, เข้าข้างนี้ออกข้างนั้นเพื่อใครให้ผลประโยชน์ยังไงรับ เ, เพื่อต้องการยศต้องการลาบต้องการสนะเสิร์ ที่เขาผู้เขาที่เหนือกว่าหาความซื่อสัตย์ไม่ได้ชุมชนในกลุ่มนั้นก็หาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะเขาเหล่านั้นขาดความซื่อสัตย์ถ้าคนซื่อสัตย์และจะเป็นคนร่ำรวยได้ยังไงท่านก็บอกต้องขยันต้องขยันต้องใช้ความขยันคือความหมั่นขยันคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ แล้วก็มีความอดทนอีกความอดทนอดทนต่อสิ่งแวดล้อมอดทนต่อร้อนต่อหนาวต่อนินทาอดทนต่อคนดูถูกเหยยดยำ่ำให้เราอดทนหมดทุกอย่างที่เราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วสมควรอดไหนที่จะเป็นสิ่งที่อดทนข้อที่สี่กระตันยูนเกิดเป็นคนต้องเป็นคนกระตันยูกระตันยูกตวเวทิตา เรามาจากไหนมาจากพ่อจากแม่เราควรจะแสดงความกระตันยูยังไงเมื่อเลี้ยงเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วในหลักของพุทธศาสนาะเมื่อเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกนี่แหละกรตันยูเให้รู้พระคุณของปิดามันดาจากนั้นพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนพวกเรา หรือพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือพระพระคุณที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนพวกเราจะเป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้แนะนําให้แก่พวกให้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องการศึกษาต่างๆอันนี้ก็เราก็ต้องแสดงความกตันอยอู่จะทดแทนพระคุณของท่านได้อย่างไร อ, อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรา ทุกคนอีกเหมือนกันข้อที่ห้ามข้อที่ห้าให้เกียมตัวให้เกียมตัวคํานี้หาฟังได้ยากเหมือนกันนะโดยมากพอได้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาแล้วก็พยองพองตัวเหยียบไปเรื่อยว่างั้นเถอะไม่รู้จักผู้น้อยไม่รู้จักรู้จักผู้ใหญ่ยิ่งตัวเองเออได้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นหัวใครเลยเลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นหลัก ของพุทธศาสนานให้เจียมตัวคำนี้เนี่เอ่อนี่ว่าอัตตัญญูตารู้จักประมาณตนอัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณตนเราว่าด้วดยยศชาติเอ่อชาติของเราเกิดมาเป็นยังไงว่า ด, ยยด้ยยศเอ่อเป็นยังไงและการเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงเอ่อจึงแวดล้อมของเราตระกูลของเราขนาดไหนทรัพสมบัติของเราเป็นยังไง ท่านว่าให้ให้เทียมตัวให้รู้จักประมาณตนอันนี้แหละถ้าพวกเรามีคติห้าข้อนี้อยู่ในในตัวของเราพวกเราจะไปนสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมสื่อสัตว์คาเดียวตอนนี้ก็กินไม่หมดแล้วขยันไปที่ไหนขี้เกียจล้างยาวมีแต่กินแล้วก็ไม่รู้จักล่างถ้วยร่างชามให้แก่เขา เขาเห็นแล้วเขาก็ ข, าขายากขยงไม่อยากจะให้มาใกล้อีกต่อไปเนี่ยเพราะเหตุไรเพราะทําให้หนักเขาอีกถ้าไปที่ไหนเราจะช่วยอะไรกับเขาได้เรากินแล้วเราก็รู้จักร้างรู้จักเก็บช่วยช่วยเขาอันนี้เราขยันอดทนเออต้องอไปนักสถานที่ใดมันจะต้องมีความอดทนในการเป็นอยู่ทุกอย่างนะเราทนร้อนทนหนาวทนหิวทนกระหายเออทนการดุด่าว่ากา่า ผู้ที่ด้อยกว่าผู้ที่ด้อยกว่าเราเขาดูด่าว่ากล่าวหรือเขาว่าให้เราเราก็ต้องอดทนอต้องใช้ปัญญ า, าไม่ใช่ว่าปุก ว, วีมากเวียงซ้ายเวียงขวาแต่อันนั้นแปลว่าหาความสงบสุขไม่ได้ต่อปไปก็ไปที่ไหนก็ไม่ได้อีกคนคนนั้นพวกขาดการอดทนกระตันยูก็อย่างที่ว่านั่นรู้จักพระคุณผู้มีอุปการคุณสําหรับเราท่านให้คุณกับเราอย่างไร เราก็ทดแทนประคุณของท่านและก็เจียมตัวเจียมตัวรู้จักประมาณตนอย่าทำตนออกนอกลูนอกทางพอเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่เห็นหัวใครอันนั้นไม่ถูกนะเน้หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดแต่นี้เขาโยมผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านนำมาท่านคงจะ เอาความคิดของท่านหรือว่าท่านได้ปฏิบัติตนของท่านแล้วอท่านได้ปฏิบัติตนของท่านแล้วท่านก็กันกรองได้ดีแล้วท่านก็มาสั่งสอนลูกหลานของท่านนี่แหละหลวงพ่อนําคําพูดลและแนวความคิดของท่านมาบอกกลา่าวหลวงพ่อก็เห็นด้วยเพียงแต่คําซื่อสัตย์คําเดียวเท่านี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลาย เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกคนตลอดถึงพระใหม่ทุกองนั่ น, นะ <_ C 1> ่ะเมื่อออกไปเป็นคราวาต์ก็ให้รู้จักมีความซื่อสัตย์ขยันอดทนกระตันยูเจียมตัวนะทำห้าข้อให้อยู่ในตัวของเราเราอยู่ในสถานที่ใดพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายรักเราทั้งนั้นแหละแต่ ถ, ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์คำเดียวเท่านั้นแหละ ว่าไปที่ไหนมีแต่จะคดจะโกงมีแต่จะเบียดจะบังเอาของคนอื่นเขานะ่ยใครๆอยากจะให้เข้าไปใกลนะ้น่ะเพราะนั้นให้พวกเรามีทำมีคติธรรมทั้ง5ข้อนี้ไว้ในตัวแล้วก็ข้อสําคัญก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายตรงเป็นผู้มีเหตุผลแต่อย่าเป็นอย่าเป็นคนหัวอ่อนอย่าเป็นคนหัวอ่อนเขาลากที่ไหนก็ไปทั้งหมดไม่ใช่นะ เป็นผู้ว่าง่ายคำนี้พระพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วโสวจับชะตาเป็นผู้มีเหตุมีผลเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ใช่เป็นเสนาหมักขีกาว่างันถะถ้าเป็นเสนาหมัคขีกาเขาไยวไงก็ว่าไปตามเขานั้นโลกสมัยทุกวันนี้โดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าเราไม่ให้รางวัลไม่ให้เงินถ้าไม่พูดตามเราเราจะมาให้เงินนะเราจะไม่ให้ยศถาบรรดาศักดิ์นะ แล้วก็ว่าไปตามเขาถึงผิดถูกไม่ว่านอันนั้นแปลว่าไม่มีจุดยืนในหลักของพุทธศาสนาแ่าไม้ปักขี้เลนเนะไม่มีจุดยืนเพราะนั้นพวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นให้เข้มแข็งให้เชื่อมั่นให้ยึดแนวทางทำคำสั่งสอนให้ยึดหลักเหตุผลแล้วก็พร้อม ก, กันก็ในเมื่อเราทำดีแล้วเราคิดนึกขึ้นมาเมื่ อ, อไรเราก็สบายใจ พอเราไม่ได้เบียดเบียนตนและผู้อื่นเราไม่ได้คิดเบียดเบียนสังคมชุมชนเรามามีแต่ความเกือ้อกูลอุดหนุนชุมชนสังคมให้ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขในบริเวณหรือในสิ่งรอบด้านของเราเราไม่ใช่ว่าจะเอาเปรียบเอารัดหมู่พวกเพื่อนชุมชนสังคมมีอะไรก็ช่วยช่วยกันาการทำการทำงานไม่ใช่ว่าเราไปอยู่นสถานที่ใด ให้คนอื่นเขาทำเขาเขาทำได้ละโดยมากโลกทุกวัยสมัยทุกวันนี่เออเขาทำได้ละตัวเองก็เฉยไอ้เขาที่ทำน่ะมันหนักขนาดไหนเขาที่ทำน่ะมันหนักขนาดไหนถ้าตัวเองไปทำเลยสิมันหนักขนาดไหนแต่ถ้าว่าพวกเราไปช่วยกันทำเขาทำาก็จริงอยู่แต่เราไปช่วยกันทำถ้าเมื่อเราไปช่วยกันทำสิ่งที่มันหนักมันก็เบาขึ้น แต่ถ้าว่าทุกคนบอกให้คนนั้นหละเขาทำเขาทำแล้วแหลนะ่ยก็ปล่อยให้คนเดียวทำนะทั้งที่มันจะทำเพียงหนาทนะีของสิ่งนั้นมันมากทําทำเป็นชั่วโมงก็ยังไม่จบมันก็หนักเลยคนนั้นก็เคตีอีกเลยผลที่สุดก็เลยนะทะเลาะกันขึ้นมาในกลุ่มนั้ น, นได้ง่ายเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะขาดความสามัคคีเพราะขาดการใช้ปัญญาขาดการขาควรทบทวนเหตุและผล เพราะนั้นการอยู่ด้วยกันต้องมีใช้ความคิดจ้องเกื้อกูลหนุนกันทำงานเหลื่อมกันนะถ้าว่าพวกเราทำงานเหลื่อมกันแล้วนั่นแหละโลกทั้งโลกยุคใดสมัยใดมีแต่ความผาสุกเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจา้าจึงบัญญัติวินัยให้พระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติวินัยนะี่คือข้อห้ามและก็วินัยบังคับให้ทำข้อห้ามก็มี ให้ทำก็มีทำไมสิ่งที่พระไม่อยากจะทำพระพุทธองค์ว่าให้ทอแต่พระกินัยบางข้อโดยมากมันเคยชินอย่าง ก, กินข้าวเย็นอย่างนี้ ก, กินข้าวอย่างนี้กินข้าวแรงอย่างนี้กินข้าวในเวลาพิการเนี่ยมันอยากกินแต่พระพุทธเจ้าห้ามอยากกินมีเหตุผลอย่างไรจึงไม่ให้กินพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาถ้ากินไม่จากเวล่าเวลาพระ เขามาบวชแล้วเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเราเป็นพระเราควรทำตัวอย่างไรไม่ใช่ว่าทำตัวเหมือนคราวาสญาติโยมเถะถ้าทำเป็นครวาสญาติโยมอย่าใช้ยูนิฟอร์มนี้ยูนิฟอร์มนี้เป็นสากยบุตรบุตรของเราต้องปฏิบัติตนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นสากยบุตรต้องยูนิฟอร์มผ้าย้อมพระฝาดปง่งศีษะปงผม อันนี้ก็คือยูนิฟอร์มของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าไม่ปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้รักษาศีลไม่ได้อย่างนี้อย่าอยู่ออกไปเป็นคารวาสกับเขาะจ้อพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ห้ามอะไรเปียถ้าถ้ามาอยู่ในกรอบนี้ต้องปฏิบัติตนอย่างนี้อะนี่แหละอันนี้คือศีลแหละทีนี้ห้ามในสิ่งที่อยากจะทําตัวเองอยากจะทําเคยทํามาก่อนห้ามอย่าทำ แต่บางองค์ไม่อยากจะทำไปไม่อยากจะทํเพราะพระพุทธเจ้าว่าต้องทำํำนี่แหละศีลมีทั้งห้ามแล้วก็บางมีห้ามไม่ให้ทําและบังคับให้ทําำนี่แหละพวกเราได้ศึกษาดูศีลของพระพุทธเจ้าคือกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันจากนั้นก็ศีลกัสมาธิแนวความคิดอีกบังคับอีกท่นี่ใจอย่าไปคิดออกนอกหลุมนอกทางนะ ถ้าคิดไปออกนอกลู่นอกทางคิดไปทางเบียดเบียนคิดไปทางพยาบาทอย่างเนี้ยคิดผิดทานองครองธรรมเนี่ยคาว่าผิดทานองครองธรรมเขานี่กว้างขวางมากนะคิดเอาลัดเอาเบียบคิดจะจะฆ่าคนอื่นคิดจะขโมยคนอื่นคิดจะยุยแยงให้คนอื่นทะเลาะกันมันคิดผิดออกจากทานองครองธรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเลย อย่ามีความคิดเห็นออกจากทานองครองธรรมธรรมคือหลักเหตุผลถ้าว่าเราคิดในทางหลักเหตุผลคือหลักความถูกต้องนี่แหละหลักของพุทธศาสนาแนวความคิดพระพุทธองค์ก็สอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกมันก่อนที่จะไปทางกายมันก็ออกจากความคิดซะก่อนมันจะออกไปเป็นคำพูดมันก็ออกไปจากความคิดซะก่อนเพราะนั้นท่านจึงให้ดูต้นต่อของความคิด จะทำยังไงจึงจะดูต้นต่อของความคิดได้ เ, เราจะเอาอะไรมาจับต้องเอาสมาธิทเท่นี่นะกำหนดดูซิกำหนดใจให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้จับดูตัวผู้รู้อตัวความคิดนั้นเมื่อความคิดนี่ยมันคิดไปในทางไหนต้องมีเหตุมีผลทบทวนดูถ้าคิดไปในทางที่ผิดอคิดไปในทางที่ผิดเราอยานะ อย่าทำนะมันผิดนะอย่าพูดนะมันผิดนะะเอาอะไรม า, มาวัดว่ามันผิดหรือมันถูกก็เอาหลักธรรมคําส่งสอนของพระพุทธเจ้าคดีโลกและคดีธรรมเอากฎหมายทั้งโลกเอาเอาศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบกันเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าพูดออกไปอย่างนี้มันผิดนะออย่างพระอวดอุตริมนุษยธรรมอย่างนี้่ะโกหกเขาอย่างเนีเ้ก็รู้ว่าโกหก ใครก็รู้แก่ใจของตัวเองเนาะข้านี่พูดโกหกเขาหน้านีิเออกรู้แก่ใจแล้วไปโกหกเขาอีกเนี่ยคิดขึ้นมาแล้วก็พูดออกทางปากทางวาจาเนะนี่ยมันก็ผิดแล้วกัการกระทําออกไปทางกายก็มันก็ผิดนียเพราะเหตุไดเพราะคิดออกคิดเลยแล้วอยังค่อยพูดยังค่อยทําแต่บางคนก็บอกพูดแบบไม่คิดเนะี่แต่ตมามไม่จริงมันคิดนะมันคิดมันคิดผิดแล้วก็พูดออกไปอยากจะพูดไปแบบนั้นมางั้นแหะ พูดแบบไม่คิดทําแบบไม่คิดนะแต่ตามไม่จริงมีแต่คนตายเท่าน่ะมันทําอะไรไม่ได้คนตายทํามันไม่คิดแหละมันไม่ไม่มีหัวใจแล้ะไม่มีสมองแล้ะมันทําอะไรไม่ได้คนเราเนี่ยมันต้องคิดซะก่อนมันยังค่อยทํามันยังค่อยพูดเหมือนันจ้ะไปคิดมาก็ต้องคิดน้อยไม่พูดมากไม่คิดมากก็ต้องคิดน้อยล่ะก่อนที่จะทําสิ่งไหนลงไปนะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี่ยคือสมาธิ พยายามดูใจให้จิตใจให้อยู่ให้มีสติสัมปชัญญะในแนวความคิดนะในหลักของพุทธศาสนาเดี๋ยเมื่อคิดเมื่อหยุดในความคิดแล้แลวนะ ส, สติของเราดีแล้วความคิดของเราอยู่ในกรอบแล้วนะให้คิดอะไรนะพระพุทธเจ้าก็สอนให้คิดอีกนะไม่ใช่ว่าจะนอนนิ่งอยู่ทั้งพีทั้งวันไม่ใช่นะพระองค์ก็ให้สอนสอนแนวความคิ ด, ดีิ หลักของพุทธศาสนาสอนปรัชญาของพุทธศาสนาพุทธเจ้าให้สอนไงให้เห็นตามความเป็นจริงฮะเป็นจริงอย่างไรท่านเคยเน้นหนักมาจุดเกิดแก่เจ็บตายทีนี่เพราะมนุษย์ชาติของเรามาจากไหนมาจากเกิดเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บ แ, แล้วก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดอีกเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วไปเกิดอีกฮะท่านบอกว่าเนี่ยแหละคือวัตวนิของมนุษย์ วิญญาณคือวัตถวัของมนุษย์มันมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าค้นคว้าศึกษาดูว่ามันมาจากไหนมันมาจึงมาเกิดเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็มาเกิดอีกแล้วมันทําไมมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตวิญญาณดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นอนันตการเวียนแล้วเกิดอีกเกิดแล้วก็ตายตายแล้วเกิดอีก เราจะทำยังไงจึงจะไม่ให้มันเกิดอีกนี่แหละพระพุทธเจ้าไปศึกษาค้นคว้าอยู่หกปีอยู่ในป่าไปอยู่ตามลำพังวันนั้นจุจุดนี้ถ้าหลวงพ่ออธิบายให้ฟังไปแล้วหลวงพ่อคงจะไม่ได้ฉันอาหารวันนี้ว่างั้นแเอ้ามาถึงจุดนี้ไปก่อนแล้วก็พวกเราให้ศึกษาต่อนะพระพุทธเจ้าไปศึกษาเรื่องอะไรอยู่ในป่าและไปค้นคว้าเรื่องอะไรอยู่ในป่าจนถึงจุดจบ ได้สำเร็จได้ตัดรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนนะและจากนั้นประกาศเลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราไม่มาเกิดอีกแล้ว เ, เรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วสายามภูรู้แจ้งโลกแล้ว น, ะนี่แหละที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ธรรมในวันเดือนเดือนหกเพนนเพราะนั้นพวกเราจะต้องศึกษานะต้องศึกษ า, าในจุดนั้นต่อไปอตอนนี้ไปรับพรถึงนอนุโมทนาให้